แล้วก็จะไม่มีวันที่จะกลับไปใช้ชีวิตแบบทางโลกอีกแล้วบุคคลประเภทนี้มาถึงบุคคลที่ล่วงการผ่านวาาัยมาถกาเกิดว่าเรียนรู้ชีวิตจนเจนจบแล้วก็จะเริ่มมองชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือผู้ที่มีปัญญาถ้านผูฟังเนี่ยจัดอยู่ในประเภทไหนพอจะจัดได้ไหมประเภททุกบีบคั้นหรือประเภทที่เห็นทุกกระทั่งจะออกจากทุก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 ยิ่งฟุ้งซ่านมากคิดมากจิตก็จะหมด ก, กําลังจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยใจเห็นไหมโคตเหนื่อยใจเพราะว่าจิตไม่อยู่กับเนื่อกับตัวเหนื่อยกายเนี่ยพักเดี๋ยวเดียวมันก็หายแต่เหนื่อยใจนี่บางทีทั้งคืนมันก็ไม่หายเรานอนเหมือนจะหลับแต่มันไม่หลับเพราะจิตมันไม่ยอมหยุดกายมันนอนนิ่งแต่จิตมันไม่ยอมหยุดเมื่อเรานอนไม่เต็มตื่นเนี้ยเรื่งการปฏิบัติเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่กายเป็นหลัก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 มันทีเรียกก็ไม่ได้ยินธรรมชาติของกายเนี่ยมันบ่อยอีกอย่างก็คือมันมีทุกข์ไม่มีกายคลายเป็นสุขหรอกมีทุกข์ทั้งนั้นนั่งนานๆก็เมื่อยต้องขยับขยื่นการขยับขยื่นเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นการแก้ทุกข์ให้กับกายนะเห็นหมมันจะมีสุขได้ยังไง <c oughs> มันแก้ทุกข์การกระพริบตาแต่ละครั้งนั่นแหละเป็นการแก้ทุกข์การหายใจเข้าหายใจออก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 ไม่เบื่อง่ายคนที่ทำงานแล้วเบื่อง่ายเปลี่ยน ง, งานบ่อยๆเพราะจิตไม่ตั้งมั่นไม่มีสมาธิชอบเปลี่ยนเ<ม>้าเรียกว่าอะไรคนสมาธิสั้นเพราะขาดสตินำเอาสมาธิมาใช้ในการทำหน้าที่ไอ้ น, นียถ้าทำถูกต้องแล้วจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้มากจิตจะรู้สึกเบาๆ เ, เบากายเบาใจไม่หนักเหมือนแต่ก่อน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 และความอยากทำให้จิตมันดิ้นลนเวลาปฏิบัติเวลาเจริญสีก็เพ่งเห็นไหมเพราอยากแล้วต้องเพ่งพอเพ่งมันก็มีการกดข่มก็มีความเครียดปวดศีรษะแน่นนะอกคลื่นไส้อาเจียนนอนไม่หลับทุกต่างนันเลยถ้าทำผิดก็จะเป็นทุกข์เห็นได้ชัดเจนบางคนทำแล้วไม่พัฒนาคนที่ปฏิบัติแล้วไม่พัฒนาเนี่ย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 อาศัยรูปแบบนี่รูปแบบมีหลายอย่างอย่างเรานั่งหลับตาหายใจเข้าใช้คำบริกรรมว่าพุทธหายใจออกใช้บริกรรมว่าโทอันเนี้ยถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งเหมือนกันหรือเราจะหายใจเข้าดูที่ท้องพองหายใจออกท้องยุบ <c oughs> เห็นท้องพองท้องยุบขดีนไหมพองหนอ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 หน้าตรงแต่สายตาท่านหลบลงต่การที่สายตาหลบลงต่ำนั้นมีความหมายว่าให้กลับมาดูตัวเองการมาดูตัวเองนั้นไม่ใช่ดูด้วยตาดูด้วยความรู้สึกลองใช้มือข้างใดข้างหนึ่งวางตรงกันนะนะไม่ต้องขยับมือข้างใดข้างหนึ่งลองกำมือแล้วก็แบมือ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 กระตุ้นให้จิตมันตื่นให้สติมันเกิดรู้ได้ชัดเจนถ้ามันคิดไปยิ่งไปเลยกลับมาเริ่มต้นรู้ใหม่มือกําลังเคลื่อนเลื่อนไหวๆกากาแบบๆอย่างนี้เอากายคือส่วนของมือเนี่ยมาเป็นหลักให้สติที่เข้าไปเกาะแมแต่การเกาะนี่อย่ากเกาะแน่นเกาะแบบแตะๆรู้อยู่ห่าง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 ถ้าจิตไม่คิดก็กลับมารู้กายที่มันเคลไวไวือนเคลื่อนไหวๆเบาๆทำเล่นแบบผ่อนคลายเราจะนั่งรอใครเราก็มารู้สึกตัวกับการก ร, ร ม, มือแบมือเข้าที่ประชุมยว่างๆล้วก็ไม่ต้องคุยกันเรากลับมาเคลื่อนไหวมือแล้วก็รู้สึกตัวมเป็นการปฏิบัติ ท, ทาได้ตลอดทั้งวันเลยทันที่จะนั่งรอใครนานๆจิตมันจะเบื่อจะฟุ้งซ่าน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 เพราะว่าจิตหรือสติเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงมันก็มีเกิดขึ้นแล้วกระดับไปเหมือนกันไม่เป็นไรหรอกแต่มันดับไปแล้วสติเนี่ยจะเกิดเร็วถ้าเราฝึกบ่อยๆมันหายไปมันจะเกิดได้ไวมันจะไม่หายไปนานหรอกเราลดลงสติแล้วมันจะมาได้ไวถ้าเราดําเนินชีวิตด้วยการเจอจิตอย่างเงี้ยชีวิตเรามันจะเบานะที่เราเปลี่ยนสมมุตินะถ้าเราไม่อาศัยการกรรมแปลหรือเคลื่อนไหวมือเนี่ย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 ความสุขก็จะเข้ามาแทนที่ความเบิกบานใจในขณะที่เราทํางานเนี่เป็นการปฏิบัติทําได้ตลอดเวลาเลยในฐานะที่เราเป็นเจ้าหน้าที่คุมประพฤติทุกวันเนี่ยเรามีสิทธิ์ได้คุมประพฤติตัวเราเองหรือเปล่าเรามีกายมีจิตเรามีสิทธิ์ได้เป็นเจ้าของไหมได้ควบคุมกายควบคุมจิตเราไหมทุกวันเนี่ย เรามีกายมีจิตแต่เราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของกายเจ้าของจิตที่แท้จริงเราปล่อยให้กิเลสมาคุมประพฤติกายจิตเราใช่ไหม mm hmm. เรามากักจะทำตามกิเลส mm hmm. พูดตามกิเลสคิดตามกิเลส mm hmm. เราไม่เคยเป็นเจ้าของตัวเราที่แท้จริงเลย mm hmm. กายเป็นธาตุรับใช้จิตจิตตกเป็นธาตุรับใช้กิเลส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 ให้สติสัมปชัญญะมาคุมประพฤติกายวาจาจะ้จเป็นบุญเป็นกุศลเราก็จะไม่มีความทุกข์กายกับจิตมีไว้เพื่อเรียนรู้ถ้าเราเรียนรู้กายเรียนรู้จิตถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะสิ้นทุกข์ในที่สุดเราจะเป็นคนที่อ่อนแอจะเป็นคนที่เข้มแข็งไม่ตกเป็นท่าของกิเลสต่อไปนะก็